บางทีเจอขี้ไก่ก็หยิบเข้าปากเรานึกว่าขนมนี่อย่างนี้เป็นตน้นอันนั้นเรายังไม่มีสติเพียงพอยังไม่รู้จักว่านั่นคือขี้ไก่นี่คือขนมแต่เมื่อเราผ่านการฝึกอบรมมีความเติบโตขึ้นความสำนึกผิดชอบเราเกิดขึ้นทีละน้อยละน้อยจนกระทั่งบัดนี้ เราได้เข้าสู่สถาบันการศึกษามาโดยลำดับตั้งแต่อนุบาลชั้นประถมมาระดับมัธยมเราได้ฝึกสติมาโดยลำดับเวลาที่ครูสอนให้อ่านหนังสืออ่านเขียนใส่กระดานดำแล้วอ่านว่าก็ไก ทีแรกเราก็อ่านทีเดียวเราก็จําไม่ได้เพราะว่าสติยังไม่มีความจํายังไม่เข้มแขงพออ่านต้าๆๆเข้าไปสติก็ดีขึ้นแล้วก็จําได้สามารถอ่านออกเขียนได้แล้วสามารถเรียนมาถึงระดับที่เราเรียนอยู่ในปัจจุบันสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นล้วนจะเป็นเรื่องของสติทั้งนั้น <c oughs>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 ที่นี้เราจะมีสมาธิและมีสติเข้มแข็งเราต้องอาศัยการฝึกเพราะครูบาอาจารย์ทั้งหลายมองเห็นลผลประโยชน์ดังที่กล่าวมาท่านจึงได้นำพวกเรามาเพื่อจะมาฝึกอบรมสมาธิที่นี้ตามธรรมเนียมของผู้นับถือพระพุทธศาสนาเราทำอะไรเกี่ยวกับาศาสนา เราจะต้องเริ่มต้นด้วยการไหว้ครูทีนี้การไหว้ครูเราได้ไหว้ไปแล้วอระหังสัมมาสัมพุท ธ, ธ พ, พระกวาพระผู้มีพระภาคเจา้าเป็นพระอระหันต์ดับเพิงกิเลสเพิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังเะาขวันตังอภิวาเทมิ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 ทำไมเราจึงต้องไหว้ครูก็เพระครูเป็นแบบอย่างครูเป็นผู้สอนครูเป็นผู้ประเสริฐกษัตริยวิชาความรู้ให้แก่เราเราต้องไหว้ด้วยความจริงใจด้วยความเคารพด้วยการบูชาไหว้ให้มันถึงจิตถึงใจพิตตวต า, าโตพิจวต า, าธรรมโม พระธรรมคือคำรรสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่พระองค์ตรัสไหว้ดีแล้วอันนี้ไหว้คําสอนธรรมนัมปัสสาเมฆาไปเจ้านมัสการพระธรรมอันนี้คือไหว้คําสอนหมายความว่าเราเรียนด้วยความเคารพปฏิบัติด้วยความเคารพ สุปฏิปันโนพระคัมภโตสาวะกะัสสังโฆระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วหมายถึงผู้เสด็จศาสดาบุคคลผู้เป็นตัวอย่างพระสงฆ์ท่านแสดงตนให้เป็นตัวอย่างแก่ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านนั่งก็นั่งเป็นระเบียบเรียบร้อย เดินก็เดินด้วยการสรวมผโภาก็มีศีลมีสัตว์ท่านจึงเป็นบุคคลตัวอย่างที่เราควรกราบไหว้สังฆนมามิพระพเจ้านอบน้อมประสงค์หมายถึงว่านอบน้อมน้อ ม, อมจิตน้อมใจที่จะปฏิบัติตามอย่างประสง n นั่นเองอันนี้ก็วิธีการไหว้ปรู ทีนี้พอเสร็จแล้วเราเพื่อจะแสดงกิริยาอาการน้อมจิตน้อมใจเพื่อเข้าให้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราจึงว่านมโมตัสสะพุทธวะโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ้าไปเจ้าขอหนอมน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผูา้ตรัสรู้ชอดใด้โดยพระองค์เองพระองค์นั้น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 เราจะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเป็นคนละธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของท่านชัยสิทัตะเห็นเดียวกันกับครูบาอาจารย์ทั้งหลายของเรานี่เรียนจบเป็นลิญญาตรีตอบได้ได้ไปประกาศท่านก็เรียกว่าบัณฑิตถ้าได้เป็นลิญญาโทก็เรียกว่ามหาบัณฑิต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 หรือบางทีเราอาจจะเรียกที่ดาราวันเอื้อยดาราวันก็ได้แล้วแต่เราจะเรียกแต่เวลานี้ก็เป็นด็อกเตอร์แล้วเราต้องเรียกเป็นด็เตอร์ดาราวันในไทยทำเราลองลงเดียวมันนั้นท่านใจในิทธิทัศาตุอธานนั้นพลพลโคตรปะพัมมะที่สิทธาธรรมเจตพ้องของคนให้เป็นเจพระพุทธเจ้า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 ให้เป็นไปด้วยความปลอดภัยด้วยความชอบธรรมซึ่งหลักและวิธีการอันนี้เราจะได้ศึกษาในโอกาสต่อไปดังบางทีครูบาอาจารย์ก็ได้ฝึกสอนนักเรียนมาแล้วแต่เทียมต้องมาวัดมาเข้าขาขกันนี้เพื่อจ ะ, ะแสดงการปฏิบัติให้เจ่มงวดจริงขึ้นเท่านั้นเอง ในผู้ที่มาปฏิญญานตนเป็นอุบาตกอุบาสิกาในเมื่อใครมาปฏิญญานตนถึงพระพุทธเจ้า ว, ว่าทำ ม, มังสังทาาังสารนังพัามิพระพุเจ้ า, าขอถึงพระพุทธเจ้า ว, ว่าเป็นสราระที่พึ่งที่ระลึกก็หมายความว่าเราจะมารับเอาธรรมะคาสอนไปปฏิบัติการปฏิบัติทำตามธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้านั้นเราจะต้องมีกฎมีระเบียบ ศาสนาพุทธก็พุทธเจ้าสอนให้คนเราสร้างความรักความเมตตาปราณีในกันแลกกันเพราะขึ้นตน้นท่านจะบอกกับเราว่าอย่าฆ่ากันนะธราม่จะฆ่ากันนะนี่คือปานาติปาตาเวรมณีที่เราได้สมทานไปแล้วขอที่สองอย่าเบียดเบียนกัน จะเบียดเบียนกันหมายถึงอธินาธานาเวรคนีอดเป็นการรักขโมยที่ผ่นชอบกุข้อที่สามตาเมสมิถาจารทร์ก็อยาคมเหงกันหมายถึงการกระผิดกระพฤตผิดกระเวนีของกันและกันข้อที่สี่จะรังแกกันก็อย่ากโกหกพกพรอย่าพูดตรกันอยา ก, กอยากโคตต่อเสียดยุยงให้เขาแต่เคร้ากัน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 เกิดโกโกปรมจิตให้มนุษย์สร้างความรักความเมตตากรานีในกันและกันแ ล, นแล้วยังกลายเป็นคุณธรรมเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยของสังคมกล้งกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากันเพราะว่าปานาจิบาตการฆ่าก็เป็นเหตุเป็นจนวนให้ฆ่ากันเจต่อเนื่องกันไป อันธินาทานไปทำให้ท่านหมดสิทธิในการครอครองทรัพย์สมบัติท่านโปรดท่านก่อข่าเตาเมสุมิชฌาจานท์ไประเมิดร่วงเกินลูกชายลูกสาวของท่านท่านโปรดท่านก่อเอาวโมศาบาทไปหลอกลวงให้ท่านเสียเกียรติยศเสื่อเสียงและทรัพย์สมบัติท่านโปรดท่านก่าเอาสุรากินแล้วเมากุมจิตไม่อยู่ผ่านพาโลทะเลวิบากกันเดียวก็ได้ข่ากัน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 เราเชื่วยในหลักเหตุหลักผลว่าทำอะไรลงไปแล้วมันมีผลกรรมคือการกระทําทําแล้วมีผลทีนี้เราจะตัดกันตัดเป็นทั้งหลายเหล่านั้นเราต้องมารักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์สะอาดเมื่อเรารักษาศีลห้าเช่นอย่างนักเรียนสมาทานแล้วรักษาต่อไปจนชั่วชีพแล้วไม่ทําบาตทํากรั น, น, นตามกฎของศีลห้า เราก็ได้จุดว่าตัดกันตัดเป็นตลอดไปทีนี้อีกประการหนึ่งเป็นคุณธรรมที่เป็นขอบเ็ตของการใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์โดยความเป็นธรรมโลกดีไหมโกรธดีไหมหลงดีไหมโลกโกรหลงระทันว่ามันเป็นกิเลสมันไม่ดี พระท่านสอนให้เราละให้ละกิเลสลรอบโตดหลงได้หรือเปล่าทีนี้เมื่อเราละไม่ได้เราจะทำอย่างไรเราเอากิเลสลรอบโตดลงเอาไว้เป็นพลังกระตุ้นเตือนใจให้เราเกิดมีความทะเยอทยานในความอยากได้อยากทีอยากมีอยากเป็น ท, ที่ใช้กิเลสให้กดประโยชน์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 แต่ตุ้นให้เกิดความมั่นความขยันในการศึกษาเรียนในการสแสวงหาทรัพย์สมบัติแต่การกระทำ่าให้คิดเียนห้าข้อใดข้อหนึ่งเป็นการใช้ได้และที่สำคัญที่สุดหลงตาจะขอฝากเอาไว้อันหนึ่งเอาไว้ให้ลูกหลานไปคิดเป็นการบ้านศ <c oughs> สียนห้าข้อนี้แหละเป็นยอดแห่งประชาธิปไตย เวลาในบ้านเมืองของเรารับรองหาระบอบ ก, การปกครองแบบประชาธิปไตยถ้าหากเราต้องการอยากให้บ้านเมืองเราปกครองทันด้วยระบอกแห่งประชาธิปไตยเราต้องยึดเศนเป็นห้าเป็นหลักเศนห้าข้อนี้เป็นยอดแห่งประชาธิปไตยเพราะว่าหัวใจของประชาธิปไตย นักเรียนรู้ไปว่าหัวใจประชาทิปไใจมันอยู่ที่ตรงไหนใครลองตอบสักคนสิว่าอะไรเป็นหัวใจหัวใจของประชาทิปไใยหัวใจประชาทิปปใยอยู่ที่การเคารพสิทธิมนุษยชนนี่คือยอดหัวใจของประชาทิปไใยอยู่ที่นี่ ที่นี่พวกมีศีลห้าแล้วมันเป็นประชาธิปไตยได้อย่างไรก็กเขาว่าพวมีศีลห้าแล้วเป็นผู้มีความเคารพในสิทธิมนุษย์ชนเคารพสิทธิในการดํารงชีวิตอยู่เคารพสิทธิในการครอบครองทรัพย์สมบัติเคารพสิทธิในผู้ครองและบุคคลผู้ต้องทำนี่ถ้ามีศีลห้าแล้วเคารพหมดทุกสิทธิ เพราะฉะนั้นศีลห้าประการนี้จึงเป็นยอดแห่งประชาธิปไตยหากใครมีพ่อแม่พี่น้องเป็นรัฐการเมืองให้นําเอาคำพวกของร่องกาดนี่ไปเตือนใจเขาด้วยว่ า, าท่านต้องการให้มีประชาธิปไตยท่านต้องรักษาศีลห้าหาตราบใดที่ท่านไม่มีศีลห้าบ้านเมืองจะไม่เป็นประชาธิปไตยนี่ขอให้เตือนเขาอย่างนี้ นี่คือผลประโยชน์ของการรักษาศีลห้ามีในดังที่กล่าวมาโดยย่อเมื่อใครก็ตามมาตั้งใจจะพระบาปตามกฎเกณฑ์ของศีลห้านี้ได้ตั ว, ว่าเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแผนการของการละบาปสิ่งที่เราเรียกว่าบาปบาปบาปเ พ่อแม่เราเคยสอนว่าอย่าทําอย่างนั้นมันบาปอย่าทำอย่างนั้นมันบาปเนี่ยหมายถึงการรับเปิดศีลห้าข้อใดข้อหนึ่งเป็นบาป ท, ทันทีแล้วก็เป็นบาปโดตัวของธรรมชาติด้วยบาปตัวนี้ใครเป็นผู้สร้างขึ้นบาปนี่มันมีตัวมีตนหรือเปล่าบาปไม่มีตัวมีตนแต่ว่ามันแสดงความทุกข์ที่ใจของเรา เอาอย่างมุทว่าวันนี้โตให้การบ้านมานักเรียนไม่ทำการบ้านไปส่งครูพอถึงเวลากำหนดส่งมันเกิดบาปขึ้นมาทันทีมันบาปอย่างไรครัวครูจะลงโทษบางทีอาจจะไม่กล้าไปไปเชิญหน้ากับคุณครูได้ถทีอโอกาสตโดดต่มหลบโรงเรียนไปก็มีอันนี้คือบาป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 ของมนุษย์ผู้ดำรงอยู่ในสังคมเป็นคุณธรรมประกันความปลอดภัยของสังคมป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากันหนูน้อยบางคนอาจจะคิดว่าลวงตามาสอนให้รักษาศีลห้าแม้ไม่ไหวแล้วต่อไปเนี่ยเวลาอ่านหนังสือยงมันมาจับมาเกาะมากัดลวงตาไม่เห็นฆ่าตายแล้วเรา เวลาอยู่มันเข้าห้องนอนเยอะๆจะเอาดดดทีมาฉีดลงตาก็ว่าเป็นปากบางทีอยากจะทอดไข่รับทานอร่อยๆก็ทำไม่ได้อดตายแล้วเราบางทีเราอาจจะคิดอย่างนั้นอย่าไปหนักใจใครทนไม่ไหวยุงมันมากัดจะตบมันก็ได้ถ้ามันมีมากนักเอาดดดทีมาฉีดไล่มันก็ได้ เอาถ้าไปฆ่าสัตว์แล้วมันจะมีศีลห้าได้อย่างไรไม่มีก็ไม่เป็นไรสำหรับศีลห้าในระดับสัตว์เตรชันัตแต่ขอให้ทุกคนตั้งปนิธานให้แนวแน่ว่าคพืเธอว่าบรรย์ท่านจะไม่ฆ่าไม่เบียเดเบียนไม่คกมเพงไม่ลังแกไม่อิฐฉาตาร้อน สรางความรักความเมตตาในเพื่อนมนุษย์ให้มันสมบูรณ์ก่อนใครมีความจําเป็นจะฆ่าเ็ะฆ่าไก่แกงกินเชิญตามสบายแกงสุกแล้วเอามาจังหันลุงตาด้วยก็ได้แต่ว่ามนุษย์จะปแปรใจต้องให้ตั้งใจให้แน่วแน่ว่ามนุษย์ทั้นจะไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงไม่รังแกไม่เอะขาตาร้อน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 เอากันเตียงแค่นี้ก่อนเมื่อเรามาสร้างความรักความเมตตาปราณีในเพื่อนมนุษย์ให้มันจมโบ์แล้วตามธรรมชาติของการสร้างความดีนเนี่ยความดีมันจะเพิ่มพลังงานขึ้นทุกทีทุกทีในเมื่อความดีมันมีพลังงานพร้อมคือความรักความเมตตามันพร้อม มันจะแพรกลมไปถึงสัตว์เดรัจฉานเองแล้วในที่สุดสัตว์เดรัจฉานก็จะฆ่าไม่ได้นี่ให้มันค่อยเป็นค่อยไปกันอย่างนี้เวลานี่นักเรียนทำสมาธิหรือเปล่าเวลานี่นักเรียนกำลังทำสมาธิพระเรามีใจมีจิตใจตั้งมัน่นจดจ้องอยู่ที่การปั่งตับ ก่อนที่จะจบนี้ขอปากวิธีการทำสมาธิในห้องเรียนบางทีเราอาจจะใช้เวลาเนาะเอาเวลาเรียนไปนั่งสมาธิซึ่งทำให้เสียเวลาเรียน <c oughs> <c oughs> การทำสมาธิในห้องเรียนทาอย่างนี้พอรูมาเยืนหนห้องพับมองที่ตัวครูต่งใจปรวมไว้ที่ตัวครูอย่างเดียวเอากันเพียงแค่นี้ย ถ้าปฏิบัติต่อนเนื่องกันทุกวันทุกวันเราจะได้สมาธิในการเรียนในห้องเรียนถ้าว่าครูบาอาจารย์จะ <c oughs> ไม่คิดว่ามันแหวกแนวจนเกินไปพอเราไปเยืนหน้าห้องครับก่อนที่จะสอนนักเรียนทุกคนมองมาที่ตัวครูส่งใจมารวมไว้ที่ตัวครูอย่าให้สายตายได้ใจไปอื่นบาทเจ้ครูจะถ่ายทอดพลังจิตศิวิชาความรู้ให้พวกเธอ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 แต่ว่าใจมันย้อนมาอยู่ที่ตัวเองมาถึงตอนนี้ตัวอธิบายอะไรให้ฟังพอโครูคจับปั๊บเขาสามารถรู้ลงหน้ามา่อไปอาจารย์จะพูดอะไรเวลาไปสอบพออ่านคำถามจบใจมันโู้โหไปนิดหนึ่งคำตอบก็ฝุกขึ้นมาเขียนเอาเขียนเอาก่อนหน้าที่จะไปสอบใจมันบอกว่าให้ดูหนังสือเล่ม น, นั้นจากหน้านั้นไปถึงหน้านั้นข้อสอบจะออกตรงนี้แล้วเวลาไปสอบมันออกมาจริงจ บางทีเขาก็ไปบอกเพื่อนฝูงให้ดูหนังสือ <c oughs> พอเสร็จแล้วเพื่อนพอข้อสอบมันออกมาจริงๆนะเพื่อนก็กล่าวตู่ว่าก็ได้ข้อสอบรู้จากอาจารย์มานี่มันเป็นอย่างนี้นอกจากนักศึกษาคนนี้แล้วคนอื่นๆเขาก็ไปปฏิบัติได้ผลเป็นที่พอใจนักเรียนแพทย์สามารถใช้สมาธิตรวจโรคได้เรารู้ว่าก็เป็นโรคอันนี้เราควรจะให้ยาอะไร นี่คนเมืองโคราชเนี่ยเขาทำได้ผลมาแล้วหลายคนไม่น้อย ก, กว่าสิบคนเพราะงั้นนักเรียนทั้งหลายพากันจำเอาไว้วิธีทธาสมาธิในห้องเรียนที่ีนหลักของการปฏิบัติ ส, ส, ส, สมาธิแบบสาธารณะทั่วไปไม่ต้องนั่งไม่ต้องยืนไม่ต้องนอน <c oughs> แลวไม่ต้องยืนให้เรามีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลา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 ถ้าเราปฏิบัติต่อเนื่องกันทุกวันทุกวันพอนอนหลับพุ่งลงไปจิตมันจะนิ่งสว่างขึ้นมาได้สมาธิในเวลานอนทในการทำเนี่ยกายกรรมวจีกรรมมโนโกรรมกายกรรมคือการทำวจีกรรมคือการพูดมโนโกรรมคือการคิดพระพุทธเจ้าตรัสว่าดวงวาริตูทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนาสื่อก ร, รํา เปได้จิต ท, ที่เราปล่อยให้มันคิดๆคๆดคด ค, ด, ค, ด, คดไปตามเรื่องตามเราก็มันตามธรรมชาติของจิตนี่เราไม่ได้ตั้งใจจะคิดเมื่อไม่มีความตั้งใจเราก็ไม่มีเจตนาเมื่อไม่มีเจตนาจิตมันคิดขึ้นมาลอยๆอย่างไม่ได้ตั้งใจมันไม่สำเร็จเป็นมโนกรรมนี่นะปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยเขามากักจะทักท้วงว่า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 นั่นคือปัญญาในสมาธิอาการโบ๊ลงไปของจิตมาเนียงปับนี่คือสมาธิความราู้สึกเดินมาได้คําตอบนั่นคือวิปัสสนาซึ่งเรียกว่าสมาธิวิปัสสนาเพราะงั้นจิตลงตาเสนอแนะหลักวิธีการทําสมาธิในห้องเรียนก็ดีทําสมาธิในแบบสาธารณะทั่วไป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 ที่ตูปาอาจารย์ท่านสอนไว้อะละในการเปิดอภรรมสมาธิภาวนาถึงเราได้ทําทิธีมาตั้งแต่เบื้องตน้นสําหรับช่วงนี้ก็พักไว้ที่ต่อยเพื่อนักเรียนจะได้เตรียมตัวจัดที่พักเอางั้นใช่ไหม ก็เป็นนั้นว่าการให้โอวสในวิธีการเปิดอบรมสมาธิภาวนาก็ขอจบลงเพียงเท่านี้